หรือโมทนาบุญกับญาติธรรมผู้ที่มีจิตใจฝกักใฝ่ธรรมะผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านก็วันนี้รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีเป็นบุญที่ได้มีโอกาสมาที่วัดพะนนจกักษีจะมาทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรมาพูดคุย ให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ธรรมะเอามาประกอบกับการดาเนินชีวิตประจาวันตามสมควรแก่เวลาจะเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวหรือจะรู้สึกตัวกับการฟังหรือจะนั่งหลับตาแล้วรู้สึกตัวก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยแต่สำคัญตัวว่าต้องมีความรู้สึกตัวการพูดทั้งหมด หรือการเคลื่อนไหวทั้งหมดการฟังทั้งหมดก็เน้ลนลงมาจุดเดียวคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวสามคำสามคำบรรลุธรรมก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีมากเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาจะเรียกว่าเป็นวันเกิดขององค์พรธเจ้าก็ได้ เป็นกัรเปลี่ยนภาวะจากเจ้าชายสิทธิ์ะกลายเป็นพุทธเจ้าก็ได้นะเป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีศาสนาไหนเป็นแบบศาสนาพุทธวันสำคัญมันก็ย่อมมีความสำคัญอย่างน้อยพูดถึงเรื่องบุญเราก็วันนี้บุญหนักการเปลี่ยนภาวะจากปุถุชนเป็นอรียชนเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ได้ทำทุกท่านเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะบางทีอาจจะปฏิบัติรรมาห้าวันเจ็ดวันอาจจะปิง้งจิตเติมโพงสู่การรู้แจ้งด้วยความสุขตัวเปลี่ยนภาวะจากปุถุชนเป็นอริยชนก็ได้การบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่ที่วัดไม่ใช่ที่บ้านที่ไหนก็ได้ถ้าจิตเราพร้อมแต่ถ้าตั้งใจรเ่งเครียดเนี่ยจิตไม่พร้อมนะ ที่ต้องผ่อนคลายสบายสบายการฟังธรรมก็ฟังแบบผ่อนคลายการยกมือเคลื่อนไหวก็ต้องผ่อน ค, คลายคล้งคลายอย่าคล่งแล้วก็เครียบเคล่งคลายเนี่ยคือการปฏิบัติถือว่าวันนี้เป็นวันที่สร้างแรงบันดาลใจแห่งชาวพวทุทธคนที่จ ะ, ปะเปลี่ยนชีวิตใหม่ชีวิตเก่าเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้ว โกรธเหมือนเดิมโลภเหมือนเดิมหลงเหมือนเดิมมันลาสมัยเปลียนไหมเปลียนภาวะใหม่ภนะาะวะที่จากหลงมาเป็นรู้มาตื่นมารู้มาเบิกบานนี่คือภาวะใหม่ปฏบิบัติบูชาเนี่ยเป็นการบูชาขั้นสูงสุดเลยฟังอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอต้องมีการปฏิบัติบูบชาคือการน้อมเอาธรรมะเนี่ย เข้ามาสู่จิตสู่ใจเราเนี่ยเป็นการปฏิบัติบูบชานะน้อมเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตสู่ใจเราเราก็รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีเราไม่สามารถที่จะนําธรรมะเข้ามาสู่จิตใจเราได้รู้ธรรมะแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมะธรรมะมันเฉียดใจมันไม่เข้าต้องบอกถึงใจแต่เรามีเครื่องมือเครื่องมือที่ยังนาพาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจเรา ก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละหรือสติสัมปชัญญะสติคือความรู้ได้สัมปชัญญะคือความรู้เมื่อรู้ตัวรวมเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกคือสติตัวคือกายคือจิตที่เราหลงยึดมั่นถือมันเป็นของเราเนี่ยคือการมีความรู้สึกตัวเข้ามาสู่จิตสู่ใจเราถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ย จะรู้ธรรมะขนาดไหนก็ตามธรรมะเข้าไม่ถึงใจต้องมีเครื่องมือเป็นยานขนส่งพาธรรมะเข้าสู่ใจเราคือความรู้สึกตัวทําไมความรู้สึกตัวจึงมีประโยชน์อุเชาท่านสนับสนุนมากเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยรวมรวมอยู่จุดเดียวคือตัวสติหรือความไม่ประมาทหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเลยธรรมะทั้งหลายเนี่ย เป็นธรรมะเล็กๆถ้าไม่มีความรู้ตัวเนี่ยธรรมะเข้าไปถึงตัวนี้ไหมถ้ารวมมาเป็นอย่างก็รอยเท้ารอยเท้าสัตว์บกทั้งหลายเนี่ยจะเป็นรอยเท้าอะไรก็ตามเนี่ยย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างรอเจ้าช้างนี่ครอบคุมรอยเท้าสัตว์ทั้งหมดเลยยกเว้นไดโนเสาร์เพราะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยสามารถนําพาธรรมะทั้งหมดเข้าสู่จิตสู่ใจแม้แต่ก่อนท่านจะปฏิญญาพานท่านบอกว่าเธอจง ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิความไม่ประมาทก็ ค, มมกคือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสตินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสติเท่ากับเราเอากุศลเข้าสู่จิตใจเรากุศลนั้งหลายจะเกิดขึ้นในจิตใจทันทีเพราะฉะนั้นการพิดมือรู้สึกตัวโอ้ธรรมะเข้าแล้วยกมือรู้สึกโอ้ธรรมะเข้าแล้วหายใจเข้ารู้สึกโอ้ธรรมะเข้าสู่ใจแล้วเวลามันคิดปรุงแต่งรู้สึกอกุศลขาดไปทันทีเลย กุศลเข้ามาแทนที่อันนี้เป็นประโยชน์นะประโยชน์เมื่อเรารู้ตัวเดี๋ยวจะมีอนุภาพอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยฟังกันต่อไปจึงสำคัญได้ว่าเราจะมีความรู้สึกตัวได้นั้นบางทีม็นต้องอาศัยรูปแบบอาศัยเครื่องมือคนทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองรู้สึกตัวคิดว่าตัวเองมีสติเคยไปคุยกับได้ธรรมบางคนเนี่ยเขายิงนกเนี่ย ป, ปืนเล็งไปที่นกเนี่ย เขายิงแล้มีสตินะบางคนบอกเดี๋ยวดื่มเหล้าอย่างมีสติหน่อยบางคนแบบโกรธอย่างมีสติโอ้ทั้งสามอย่างเนี่ยอาการอักทั้งนั้นเลยโกรธอย่างมีสติเนี่ยมันโกรธหนักแน่นมากถ้าไม่สติแล้วมันจะไม่โกรธแล้วที่โกรธเพราะว่าหลงลืมสติสติโดยธรรมชาติธรรมดาที่เรามีอยู่นั้นไปสติไปกับกิเลสส่วนมากถามยริงเลยบางท่านเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยมีสติไหม พอฉันกําลังโกรธนี่เพิไม่รู้หรืออย่างนี้ไม่เหสติหรอกอันนี้มันเป็นโมหะถ้าไม่สติแล้วโกรธไม่ได้ทำสองอย่างนี้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเราจึงต้องมีการจลศิษย์อาศัรูปแบบอย่างเนี้ยรูปแบบที่หลวมพ่อเทียน่ได้แนะนําเอาไว้คือการเคลือคล่อนไหวเคลื่อนไหวเพื่อจิตมันตื่นอย่ากเคลื่อนไหวฟรีๆนะเราต้องมีความรู้สึกเต็มวในการเคลื่อนไหวจิตจะได้ตื่น คนเราทุกคนบอกว่าเรามีสติแล้วแต่สติของเราเนั่นคืออะไรคือสติที่แล่นออกไปข้างนอกเรารู้แต่เรื่องข้างนอกข้างนอกเนี่ยรู้มากมีสติกับสิ่งภายนอกบางทีรู้มากเกินไปแต่ใจเราต้องเป็นทุกข์ก็มีนะเรียนสูงแต่ใจก็ยังมีความทุกข์อยู่เพราะว่าเป็นสติที่รู้แต่สิ่งภายนอกรู้ข้างนอกมันดับทุกข์ไม่ได้หรอกเห็นไหม ที่เข้าไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารกลับมาก็ต้องซ่อมหมอต่างนั้นแหละแล้วทุกไม่ได้มันต้องต้องกลับมารู้ตัวเองเนี่ยการจิตสติกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตมันกลับมากลับมาปฏิภาวะกลับมากลับมาปฏิบัติปฏิวัติคือกลับมากลับมาทีนี้เรปล่อยจิตใจให้หลงเลเลินไปกับความคิดปรุงแต่งไหลไปกับอารมณ์ที่มาปรุงแต่งกับความคิดต่างๆเรามีการเคลื่อนไหว ผูกติตผูกใจให้กลับมากลับมาให้กลับมาทุกครั้งที่เรากลับมาอย่างรู้สึกตัวเนี่ยนั่นแหละคือกุศลทั้งหมดเลยก็จึงต้องมีการเคลื่อนไหวมีรูปแบบอาศัยรูปแบบฝึกความเคยชินแบบใหม่ที่จะกลับมารู้จักตัวเองการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้มองนอกตัวนะคือกลับมาดูตัวเองความเคยชินเก่าๆนั้นเรามากักจะดูข้างนอกใช่ไหมเวลาเราโกรธล้วก็ว่าคนนู้นทําให้เราโกรธคนนี้ทําให้เราโกรธ เวลาเราทุกข์ก็ว่าอ้อมันดวงไม่ดีเวลาเราเครียดเราเออนั่นแหละทําให้ฉันเครียด โ, โทษแต่เขาโทษแต่เขาไอคําว่าเขาเนี่ยมันทิ้งแทงนะโทษเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้โอ้ไอเขาไม่รู้สึกเลยแต่เขาที่เราโทษนั้นมันกลับไปทิ้งแทงใจเราเพราะเราดูแต่สิ่งภายนอกนั่นคือความเคยชินใช่ไหมความเคยชินเก่าๆไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ว่ามันมีดีกว่านั้น คือการกลับมาดูตัวเราเป็นการสร้างความเคยรินแบบใหม่กลับมาดูตัวเราดูกายดูใจเมื่อดูตัวเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจคนอื่นสมัยนี้คนอยากดูจิตคนอื่นอยากไหมดูจิตคนอื่นดูได้นะแต่การดูจิตคนอื่นนั้นไม่ใช่ไปดูที่จิตเขาดูที่จิตของเราสิดูความรู้สึกของเราเรียนรู้จิตคนอื่นด้วยจิตใจของเรา พวกกับเราจิตเนี่ยมันมันเหมือนกันแหละศึกษาจิตเราจะเข้าใจจ er. <Ste ek ambling> no like we ิตคนอื่นจะเข้าใจคนอื่นบางคนเป็นทุกว่าทําไมเขาไม่เข้าใจเราทําไมเขาทาอย่างนั้นทำไมเขาทำอย่างนี้ทําไมเขาจึงไม่เข้าใจเราเราลองเข้าใจเราสิเราจะรู้ว่าอ๋อที่เขาไม่เข้าใจเราเพราะว่าสิ่งนั้นเราจะเข้าใจเขานะที่เขาไม่เข้าใจเราเนี่ยดังนั้นการฝึกความคิดชินแบบใหม่นั้นกลับมาดูตัวเราสิ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไปจากตัวเราทั้งนั้นแหะความสุขความทุกข์คนอื่นไม่ได้ทําให้เลยนะแต่เราต่างหากเป็นผู้ที่ทำเอาเองเห็นไหมการปฏิบัติการกลับมาย้อนกลับมาสร้างความเคยจินที่ย้อนกลับมาดูตัวเราจะได้จัดสรรตัวเราให้ถูกต้องทีนี้ก็จะไม่ไปขวางใครจะไม่ไปกระทบใครนั่นการจสื่แบบเคลื่อนไหวในววัเทีย์เนี่ ย, เ, เ, ย, เ, ยเป็นการให้กลับมาดูตัวเราดูกายเคลื่อนไหวเอากายเนี่ย มาเป็นฐานที่ตั้งของสติเรี่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจถ้ากายอยู่กับจิตแล้วก็ปลอดภยัยถ้าจิตออกจากกายนี่ปลอดภัยไหมจิตออกไปจากกายนี่ไม่ถึงคนตายนะไม่ต้อคนที่ปล่อยจิตไปย้ายล่วลอยเนี่ยไม่ถึงคนตายนะคนที่ขาดความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนคนตายจิตใจเลื่อนลอยฮนะนั่นเองต้องอาศัยกายเป็นเครื่องอยู่ของจิต ให้มารู้สึกรู้สึกและจะปลอดภัยคำว่าเครื่องอยู่เนี่ยเป็นเพียงแ ก, ก้เครื่องอาศัยไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ติดอย่างที่เนี้ยต่ลาเนี่ยเราอยู่ชั่วคราวนะเดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันไปอาศัยชั่วคราวเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่ที่เกาะที่ติดเพราะงการเคลื่องไหวแต่ลาครั้งให้มีความสุกตัวเนี่ยอย่ารู้แบบจัแบบอย่ารู้แบบเข้าไปเกาะ อ, อย่ารู้แบบเข้าไปอยู่ให้รู้แบบ แตะๆพร้อมที่จะวางได้ให้รู้เรื่องห่างอย่าเข้าไปโอบไปใกล้ให้รู้เบาๆรู้เล่นๆแต่ก็รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ไม่เข้าไปเกาะกลุมถ้าเข้าอยู่ในกายนี่อันตรายเหมือนกันนะอันตรายั้ยกายมันแก่กายมันเจ็บกายมันตายกลายเป็นเพียงแค่เครื่องรู้เครื่องอาศัยชั่วคราวการปฏิบัติเ น, นี่ยอย่าเข้าไปพลิ้งอย่าเข้าไปยึด ใหรู้แบบเบๆแบบบหางเพราะมัจะปล่อยวางได้เดี๋ยวต้องไปสนใจเรื่องความคิดเดี๋ไม่สนใจเพราะนั้นมันทําให้เราหลงไปได้ง่ายทุกวันเนี่ยเราหลงไปกับความคิดมากมายนะไม่ไปสนใจแต่อย่าไปห้ามความคิดห้ามก็ไม่นะห้ามความคิดนี่เราสนใจมั้ยสนใจที่จะห้ามนะอย่าไปห้ามความคิดแล้วก็อย่าไปตามความคิด แล้วก็อย่าเข้าไปอยู่ในความคิดให้ทำยังไงถ้ามันคิดอ๋อยิ้มอลไรเนี่ยคิดแล้วนี่คือการรู้ความคิดให้รู้ความคิดรู้ว่าเป็นไงอย่าไปาวิพากษ์วิจารณ์ว่าวคิดอะไรดีไหมโอ้มันชวนกันคิดสนุกเลยพอรู้แล้วก็ทิ้งไปเลยรู้แล้วทิ้งเลยการฝึกที่มีสติรู้ทันความคิดแล้วก็ทิ้งความคิดนี่แหละมันช่วยทําให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นปกติได้ง่าย ตอนนี้เราไม่ต้องการจะคิดเราคิดมากนะแล้วเราจะรู้แล้วก็ทิ้งและเมื่อจะไปต้องใช้ความคิดอ๋อมันจะคิดแบบเป็นระเบียบเป็นระเบียบเหมือนหนังสือที่อยู่ในช่องแล้วก็หยิบมาอา่านแล้วก็วางไว้เป็นระเบียบอย่าเพ่งไปสนใจรู้แล้วก็ทิ้งแล้วกลับมารู้กายก่อนนะเอากายเป็นหลักให้มันํำนานสติเนื่องด้วยกายเนี่ยมันทาให้ความคิดนี้ไม่รบกวนเอาตรงนี้ก่อนเอาฐานกายให้มันแน่น ให้มันมั่นคงซะก่อนเนี่ยมีหลักให้เกาะซะก่อนมันจะดีฐานจะดีใหญ่ไหมเ น, ะนี่จะดีใหญ่แล้วข้างบนเนี่ยไม่งอนงนันไม่ก้อนแค่เอาฐานกลให้มันแน่นๆให้มันรู้สึกสติที่เนื่องด้วยกายเนี่ยมันจะสามารถสกัดกั้นความคิดได้มันตัดความคิดมันคุมกําเนิดความคิดคุมกำเนิดความคิดนี่คือเกิดแล้วเอาโพสมควรแค่นี้ก่อนคุมกําเนิดไม่ชั่วคราวก่อนแล้วต่อไปเราค่อยคิดได้เมื่อเรามีสติ สติเนื่องในกายเนี่ยมันคมชัดแล้วก็ปัจจุบันมากการเจริญสตินี่ถ้าพลาดจะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่สตินะมันเป็นความคิดทั้งหมดเลยถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะนี่เราคิดนี่เรารู้สึกตัวนี่เราคิดตัวเรามีสติดูที่ปัจจุบันถ้าความคิดไม่ใช่ปัจจุบันถ้าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นปัจจุบันอยู่คนที่ฟุ้งซ่านมากๆคิดมากๆปรุงแต่งมากๆอยากให้มันหยุดคิดทําอย่างนั้นเนี่ยมันยิ่งคิดใหญ่เลย เราเป็นการอน้ำมันไปลาดกองไฟอยากให้มันหยุดเมื่อไหร่มันจะหยุดนะฮแล้วก็ช่วยมัคิดใหญ่น้ำมันไปลาดกองไฟเพียงแต่เราไม่สนใจความคิดไม่ให้ความสําคัญมันหมายกับความคิดมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวนะอยากคิดคิดไปบม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของความคิดเรื่องจิตเรื่องเราคือมารู้สึกรู้สึกให้มันต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องมันจะมีพลังไม่ให้ความคิดนะ ไม่ให้เราเก็บความคิดให้รู้แล้วก็วางมันซะจิตมันจะได้เป็นปกติสติเนื่องด้วยกายเนี่ยมันเป็นปัจจุบันไม่มีอะไรปัจจุบันเท่ากับกายเคลื่อนไหวเพราะกายมันไม่ได้คิดอะไรเราพิมมือรู้สึกยกมือรู้สึกนี่มันเป็นปัจจุบันเฉพาะหน้าเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆการจิตวิสติที่อาศาัยกายเป็นฐานเนี่ยถ้าเป็นการสร้างตัวรู้ คำา้งตัวรู้นึไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนนะคือสร้างภาวะที่รู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวเพื่ออะไรเพื่อจะดู <c oughs> ู้สึกตัวเพื่อจะดูเนี่ยจะเปลี่ยนภาวะจากความรู้สึกเป็นภาวะที่ดู <c oughs> เมื่อมีการดูก็ยังมีการเห็นถ้าดูแล้วเห็นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะบางคนดูแล้วไม่เห็นแต่ว่าได้แต่ดูแต่ไม่เห็นแต่ถ้าดูแล้วเห็น รู้สึกตัวดูกายเห็นกายเคลื่อนไหวเนี่ยดูแลวเห็นเวลาจิตมันคิดมันแต่งดูจิตเห็นจิตมันคิดดูแลวเห็นมันเป็นวิปัสนาวิปัสนาคือการดูแล้วเห็นเพราะเกิดเพราะว่าดูแล้วเห็นแล้วก็อันเนี้ยปลอดภัยละเห็นอะไรเห็นแสงเห็นสีเห็นนิมิตหรืออันั้นเห็นนอกตัวนะไม่ใช่ของจริงหรอกอาจจะเห็นจริงนะ สิ่ที่เราเห็นเนี่ยไม่จริงหรอกมันหลอกลวงเราครับเราดูกายอยู่มันก็ต้องเห็นกายเห็นไหมเนี่ยเป็นการเห็นธรรมะนะกายนี่เป็นก้อนธรรมะก้อนธรรมะคาว่าเห็นเนีไม่เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตานายที่สัมผัสปิกมือรู้สึกที่มันไหวๆอ๋ออาการไหวๆตึงๆเนี่ยมันเป็นอาการของกายเห็นกายมันก็เห็นธรรมะแล้วอย่าไปเห็นแสงเห็นเสียนั้นไม่ใช่ของจริงเห็นพระพุทธเจ้า ยังไม่กินต้องกับผิ่นกายที่มันเคลื่อนไหวเรารู้กายอยู่ก็ต้องเห็นกายเห็นกายอย่างเดียวมันไม่ใช่มันทีมีความคิดที่มันแว๊บปั๊บกันมาเราเวลามีกายขึ้นมาเรารู้กายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องสัมผัสกับความคิดโอ้มันคิดเราคิดไปนี่โอ้เราปรุงแต่งเราฟุ้งซ่านมากโอ้นี่มันม่วงนั่นเราเห็นแล้วนะมันไม่ไเห็นตายอย่างเดียวหรอกมันต้องเห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งมากมายเห็นความง่วงเห็นความเบื่อ เห็นความขี้เกียจเห็นทุกขเวทนามันต้องเห็นเพราะอย่าคิดว่าดูแต่กายเห็นแต่กายไม่ใช่ดิ้นต้องมีสิ่งที่ผ่านมาเราเคยดูนาฬิกาไหมดูนาฬิกาเราดูนาฬิกาเนี่ยเราเห็นจอยนาฬิกาหรือเปล่าเราเห็นเข็นเห็นเลขเห็นยี่ห้อเห็นเวลามันเห็นหมดแหละรู้แค่หนึ่งเดียวนะดูแค่หนึ่งเดียวเห็นหมดเลยดูกายก็เห็นจิตดูกายก็เห็นเวทนา ดูกาวก็เห็นธรรมะธรรมะคือความง่วงเหงานอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมะความสงสัยลังเลใจอันนี้คือธรรมะสิ่งที่ผ่านมาเรารูนะ้น่นคือธรรมะทั้งหมดเลยเห็นรูปเห็นนามเรื่องของการเจริติเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องต้องเห็นรูปเห็นนามถ้าใครเห็นรูปเหนามแล้วก็เท่ากับได้หลักของการเจริติแล้วถ้ายังไม่เห็นรูปเนามก็ เท่ากับได้อารมณ์สมถะสงบนิ่งเงียบไม่รู้อะไรมีไหมคนไหนเห็นรูปเ็นนามบ้างรูปนามนี่มันตัวเรานะที่เราถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเคลื่อนไหวเป็นรูปเห็นจิตที่มันคิดไม่ปรุงแต่งอันนั้นเป็นนามมันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นรูปเป็นนามจิตที่เข้าไปรู้อันนั้นเป็นนามชีวิตมีแต่รูปนามสมมุติว่าอ๋อเราเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นชายเป็นหญิง เป็นคนพิการเป็นปกติอันนั้นเป็นสมมุติตัวจริงคือมันรูปนามัรงนั้นเห็นรูปเห็นนามได้หลักของตังจิรสติรู้กายเคลื่อนไหวการรู้รูปรู้จิตที่มันคิดในการรู้นามเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการของรูปของนามเห็นความคิดมันต้องเห็นเห็นนะแต่อาจจะไม่มั่นใจว่าเราเห็นทําไมเราจึงเกิดความคิดทําไมจึงไม่เห็นเพราะเราเข้าอยู่ในความคิดนะ คิดว่าเราคิดคิดว่าเราคิดว่าเห็นไม่จะเห็นมันคิดไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นก็ไม่เป็นไรทําต่อเรื่องเรื่องมันหนีไม่พ้นหรอกมันต้องเห็นอยู่แล้วไม่เป็นไรเนีพูดดักไว้เผื่อจะมีใครบรรลุตอนเนี้ยเห็นรูปเห็นนามเห็นความคิดเห็นการปรุงแต่งเห็นปัจจุบันเห็นมรรคผลนิพพานเป็นระยะทางธรรมะเขาเรียมเป็นกระบวนการเริ่มต้นจากการรู้สึกตัวรลงไปที่กายเคลื่อนไหว ที่ใจคิดนึกแล้วก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นความคิดเห็นปัจจุบันเห็นสารพัสอย่างอันนี้เป็นการปฏิบัติที่จะเรียกว่าตามรูปแบบที่หลวงพ่อเทียนได้แนะนาให้เราทําอย่างนี้แหละนี่เวลามีเห็นถ้าเห็นความคิดเนี่ยเขาว่าเห็นต้นทางของนิพพานแล้วถ้าไม่เห็นความคิดเนี่ยนิพพานเกิดไม่ได้หรอกเพราะไปปรุงแต่งมากมายเห็นความคิดเห็นจิตมันคิดเป็นต้นทางของนิพพานแล้ว นิพพานนี่ไม่ใช่นิ่งเงียบแล้วก็ถึงนิพพานเขานิพพานแบบไม่รู้ตัวไงไม่ผู้เจ้าท่านก่อนจะนิพพานท่านยังเห็นความคิดแหละเห็นตัญหามาปรุงแต่งในชะ่ไหมมาสร้างบ้านรวงในใจท่านวราะนั้นคือความคิดทั้งนั้นน่ะแล้วชนะตัญหาได้ตัญหาก็เลยล้มละลายปรุงแต่งไม่ได้ละจิตก็ถึงวิสังขารพ้นจากการปรุงแต่งเริ่มจะเข็นตัวตัญหาที่เป็นปรุงแต่งเปนความคิดเราจึงสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้เห็นความคิดจิตมันเปลี่ยน ใครจะเปลี่ยนแปลว่าหินกี่ตัวเองแนละอาจจะไม่ใช่เจงก็ไม่เป็นไรหรอกทางต่อไปเรื่อยมันก็หนีไม่พ้นเมื่อมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยความหลงลุ่มตัวมันจะไม่เกิดขึ้นสองอย่ญญางนี่มันเกิดเพราะกันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือกับความไม่รู้ตัวมันก็จะหายไปมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยนะเป็นชีวิตใหม่นี่หน้าเดิมกายเดิมแต่ใจมันเปลี่ยนเปลี่ยนภายในการเปลี่ยนใหม่เนี่ไม่ใช่เปลี่ยนภายนอก เปลี่ยนภายนอกง่ายนิดเดียวนะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เปลี่ยนใหม่ได้แล้วเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนใหม่ได้แล้วแต่เปลี่ยนจิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนหมดทั้งชีวิตเลยจากความเป็นทุกข์มาเป็นความไม่มีทุกข์นี่การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อการเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจธรรมะไม่ใช่ปรุงแต่งให้กายมันดีขึ้นแต่ทําให้ใจมันดีทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจเปลี่ยนชีวิตใหม่ปฏิบัติมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ย ยังไม่ทำเลยจิตใจมันเริ่มเปลี่ยนมั้งไหมเริ่มเปลี่ยนหรือยังงงเหมือนเดิมถ้าจิตเปลี่ยนมันต้องเบิกบานนะยังงงเหมือนเดิมความเบิกบานที่เห็นได้นัมันคือความเปลี่ยนเบิกบานทางด้านยิ่งแย่แจ่มใสหน้าไม่เครียดตอนเข้ามาวันหนึ่งหนึ่งวันที่หนึ่งก็ทําท่าศรัทธาหน่อยวันที่สองนี่คิ้วจะผูกโบว์วันที่สามันจะเครียดวันที่ห้าทุ่มทีมันผ่อนคลายโอ้คิ้วที่ผูกโบวนี่มันขยายโบออก วนันเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนมาจากจิตใจก่อนนะรู้จักยอมรับโอ้ไม่ครบเจ็ดวนนี่กลับไม่ได้อยู่แล้วเรายอมรับขึ้นมาเราอยู่ไดาอยู่ได้มันเปลี่ยนได้อันนี้รับรองผมเองนี่ก่อนจะปฏิบัติทำเนีโอ้หน้าตาไม่ใช่แบบนี้หรอกเริ่มมึงแต่เริ่มพิการปีนั้นปีพศสองพห้ายยีเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่พิการและเป็นชีวิตที่มีความทุกข์มาก แบกความทุกข์เป็นของหนักทุกข์เพราะกายพิการเนี่ยมันก็พอแรงอยู่แล้วมันยังมี after ทุกข์อีกทุกข์เพระจิตพิการในโอ้หเป็นอ f t e r ทุกข์ที่รุนแรงมากแล้วมันทุกข์หนักมากแล้วมันทุกข์ต่อเนื่องนานๆการว่าทุกข์กายไม่ถวายแล้วแต่ทุกข์จิตในที่มันปรุงแต่งทุกข์ทางกาทุกข์ทางใจแบกภาระของขันห้าเอาไว้อยากจะวางไม่จะวางอย่างไรทุกข์ตั้งงเหมือนกันนะ เวลามีความทุกข์อยากจะวางความทุกข์แต่วางไม่ได้วางไม่ได้เพราะอะไรผมก็อยากจะวางแต่วางไม่ได้สึกษาธรรมะจากการอ่านจากการฟังมันต้องสิบหปีตั้งแต่ปีสองพยิบสองถึงพอศตรรห้าอสามสบอ่านธรรมะสนใจธรรมะมันก็เข้าใจธรรมะนะแต่มันยังไม่เข้าถึงธรรมะมันเฉียดอกเจียดใจไปเรื่อยมันยังไม่เข้าถึง รู้อยู่ว่าขันห้ามมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันต้องวางวันดีคืดีก็วางได้นะแต่เวลามีอารมณ์มากระทบเนี่ยมันชุนกึกขึ้นมาเลยสัญญาใจมันไม่ขาดไปคิดวางเนี่ยสัญญาใจมันไม่ขาดไอ้ของเราเคยยึดมั่นถึงมั่นอยู่เนี่ยจะวางมันง่ายๆเนี่ยมันยากมากเลยสัญญาใจมันไม่ขาดเรต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ยังไงเรารู้แค่ทฤษฎีเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอแล้ว มันต้องมีการปฏิบัติอ่านได้แผนที่อยู่เนี่ยมันเดินทางไม่ได้อ่านป็นที่เนมันถึงเชียงใหม่เลยนะแต่จะมีนั่งอยู่ที่บ้านมันเดมันต้องมีการปฏิบัติมีการลงมือกระทำแล้ะปฏิบัติวิธีไหนมีหลายวิธีอลองทํามาแล้วมันก็ไม่ถูกจริญกับคนสภาพอย่างเงี้ยมันถูกจริญกับแม่แบบวัตถียนเนี่แหละหลวงวัตถิยนท้าท้าทายนนะถ้าใครทําแล้ว จิตไม่เปลี่ยนทุกไม่ลดเนี่ยยินดีคืนเงิ น, นผมก็ เ, เขียนเนี่ยเอาคอเป็นประกันโอ้โหเนี่ยเด็ดขาดทั้งนั้นเลยท่านยินดีคืนเงินนี่ก็ร้อนกวนเอาอคเ อ, าอเป็นประกันเนี่ยแล้วท่านประกันมาหลายคนเลยนะโอ้ไม่อยา ก, กขาดทั้งทีมั น, เ, นเราก็ชอบจิตชอบการ ท, ราท้าทายเพราะเรามีความไม่มีทุกบันโด ม, มันอยู่แล้วเรามีเดิมพมันอยู่สองอย่างถ้าปฏิบัติมีโอกาสพ้ทนทุกได้ ถ้ไม่ไปฏิบัติเนี่ยเราต้องนอนเป็นทุกข์ไปจนตายจิตใจคึ้คขึ้นล ง, ลงเวลาอ่านสื่ธรรมะใจมันก็ดีคิดถึงธรรมะใจก็ดีแต่เวลามีอารมณ์มากระทบโอดใจมันตกอบายภูมิเลยไม่ดีเลยยังไงต้องเอาชีวิตเราเนี่ยเข้าแลกมันต้องลงทุนลงทุนปฏิบัติ ด, ดูและปฏิบัติได้อย่างไรผมอยู่ที่บ้านคนที่มีการเคลื่อนไหวได้เพียงแค่เนี้การขวายมือ น, นิดหน่อย มีอยู่สองเนียบทนอนกับนั่งสมบัตกจะนอนนั่งไม่ค่อยได้นานเราไม่มีโอากาสได้แต่งชุดขาวเท่ๆแบบเนี้ยไปวัดก็ไม่ได้ต้องมีคนคอยดูแลช่วยตัวเองนี่น้อยมากจะไปเดินจงกรมก็เดินไม่ได้ยกมือสั้นยังไะก็ยกได้แก้างเดียวมันคงปฏิบัติไม่ได้หรอกมันก็คิดนะนี่เราจะทําความดีทํามกุศลยังทำไม่ได้ที่เราคิดเลย แล้วก็โชคดีที่มีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณามิตรเนี่ยหลวงพ่อําเขียนเนี่ยแล้วก็แนะนําว่าที่อยากจะไปฏิบัติธรรมเนี่ยทำได้ทำอยู่ที่บ้านเนี่ยนี่ผมเขีนยนจดหมายติดต่อกับท่านนะท่านอยู่จังหวัดเชียงภูมิป่าสุโ ก, กตอำเภอแก้งเคาผมอยู่นครสวรรค์อ่าเขีนยนจดหมายเนี่ยมืออย่างเงี้ยเขียนจดหมายได้ก็ไม่ค่อยตัวหรอกแต่พออ่านกันเรื่องเขีนยนไปถึงปากตัวไปรู้สึก ขอท่านแนะนําการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เล่าถึงอาการที่เราพิการช่วยตัวเองได้ยังไรบ้างส่วนไหนที่ใช้ได้ส่วนไหนใช้ไม่ได้หลวงพ่อคำเขียนเข้าใจโดยตัวมีเมตต า, าไม่เป็นไรคนพิการก็ปฏิบัติธรรมได้นอนทําอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปวัดผมเริ่มต้นปฏิบัติธรรมไม่ได้เริ่มที่วัดนะ <c oughs> ผมเริ่มที่บ้านนะแล้วเราจะคิดว่าการระดับทุกข์ได้ น, นั้นต้องที่วัดที่เดียวเวลามีทุกข์ก็วิ่งมาวัด เวลาหมดทุกก็กลับไปบ้านแล้วก็ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกกัตบตลอดชีวิตยอย่างนี้นะแหละเราฝึกที่วัดแล้วเราไปเต็มที่บ้านดูบ้างสิต่อไปแล้วเอาบ้านเป็นวัดก็ได้นะยพอเริ่มต้นที่บ้านนอนพลิกมือการพลิกมือเคลื่อไ น, นไหวเี้ยการเจังหสี่แบบเคลื่อนไหวไม่ได้ยกสิสีจังหวะแบบจะดีทำหรอกนอนพลิกมือสองจังหวะพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือแหวมรู้สึกพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือวหวมรู้สึก ได้แค่สองรู้นะรู้เหมาและก็รู้ความแต่สองรู้นี่เป็นสองรู้ที่มีคุณภาพนะไม่ชะรู้แบบเลื่นลอยนะรู้มือรู้ตูนพิมมือรู้สึกความมือรู้สึกได้สองรู้ได้สองคะแนนไอ้ทำนิดสิบสี่รู้นะโอสิบสี่คะแนนสิบสี่คะแนนได้เปลียนมากเลยผมแค่สองรู้อาศัยมีเตีจตนามีความใส่ใจมีความเพียรเอาละ สองรู้เนี่ยมันจะต้องรู้แบบคมชัดถ้าสี่จีรู้แบบเลื่อนลอยเนี่ยมันสู้สองรู้ไม่ได้นะผมนั่อยู่สองรู้งเนี่ยรู้สึกตัววันหนึ่งเนี่ยเกือบเจ็ดชั่วโมงคนที่ร่างกายไม่ปกติมีการขึ้นไหวด้วยน้อยถ้ามื่เจ็ดชั่วโมงนี่คนที่ร่างกายปกตินี่เท่าไหร่ยกมือเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เมื่อไรมาครูมาให้กำลังใจ วเวลาเราท้อแท้นี่โอ้ยจัง ก, กังพลทิ้มือแค่นั้นเองนะวันนึงหกจุดชั่วโมงไอ้เราเนี่จะมาท้อแท้ไม่ได้นะมาพูดให้ปลุกกำลังใจไมใ่ใช่พูดให้หน่อยท้อแท้ไม่ใช่นะมองคนที่มันแย่กว่ากันเนี่ยเป็นกำลังใจอย่ามองและสงสารชีวิตผมไม่ต้องสงสารไม่ต้องสงสารเนี่ยทิ้งมือรู้สึกเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยวลาหกถเจ็ดชั่วโมงแล้วก็อาศัยเก็บเกี่ยว มันต้องมีการเก็บเกี่ยวนะเรียกเป็นโดนัสนะเก็บเกี่ยวกับเรียบทีอื่นส่วนไหนที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้เราก็ไม่ต้องมาทำมันตรงไหนเคลื่อนไหวได้น้อยน้อยก็รู้สึกตัวได้อาศัยสวยที่มันจะเคลื่อนไหวได้เนะนี่เป็นการจรรยาีแบบเคลื่อนไหวเลยนะไม่สนใจความคิดเลยเพราะมันคิดมามากแล้วคิดจนเป็นทุกข์ไม่สนใจมันอันนี้มันคบไม่ได้ไอความคิดมันคบไม่ได้มันติดคุบอยู่ในความคิดเนี่ยโอไม่เอาไม่เอากลับมารู้สึกตัวการเคลื่อนไหว นอนกับพิพตาเลืน่นรู้สึกรู้สึกกับพิพตาก็รู้สึกตัวได้นะตรงที่มันเคลื่อนไหวได้ตรงนั้นเราเอามาจะรู้สติได้กับพิบตารู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายจ อ, อกรู้สึกเนยการหายใจเป็นการเคลื่อนไหวไหมอันนี้ก็ดีขู่ดิ๊ด ด, ดตรงไหนที่มันทําได้ยากตรงนั้นสติมันเกิดได้ง่ายไอ้ ย, ยากอันดีทั้งแหละมันสอนทำมาได้ดีมากมันมีความเพียรมีความพยายามมันมีการท้าทายเอาชนะ เวลาตรงไหนเคลนไหวได้ผมจับเอามาปลุกสตีหมดเลยตะแขคงซ้ายรู้สึกตะแขคงขวารู้สึกเวลาหน้ารอนเนี่ยผมตม้องถอดเสื้อนะบ้านผมนี่ร้อนมากเลยนคะรสวรรค์ร้อนติดอันดับร้อนมากถึงนัอนถอดเสื้อเลยมีกระรมมังน้ําอยู่ใบหนึ่งไม่ได้เช็ดตัวนะออกน้ำมารูปตัวตัวมัแนแฉะเป็นอ่างเลยนะตัวแห้ไม่ได้มันร้อนมากคุณเคยไปเยี่ยมผมที่นั่นแล้วห้องกระบ า, านผมไนมะ่ร้อนมากเลย ใหม่ๆที่ไม่เคยเติมสติเนี่ยมันหิตมากเช็ดตัวทีมันหิตทีหนึงเช็ดตัวทีมีนตทีนึงแต่เมืสอถกสติมีการเคลื่อนไหวเนี่ยโอ้ดีนะร้อนมากๆก็ดีแล้วเช็ดตัวบ่อยๆจะได้มีสติบ่อยๆโอ้เอาอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ของธรรมะเลยเมื่อพอใจในการเช็ดตัวพอใจในการร้อนเมื่อไหร่มันจะร้อนจะได้เช็ดตัวจะได้มีสติมันไปอย่างนั้นนะอันนี้เป็นวัฏฏะที่มันมีหลายอย่างที่จะนึกได้ทุกเวทนาทางกายก็มาก หมดกัดดุงกัดไม่รู้สึกปัสสาวะอุจจะไม่รู้สึกอุศะมากเดี๋ยวก็ท้องอืดเดี๋ยวก็หายใจลําบากเนี่ยผมจะมีการเคลื่อนไหวอยู่เลยการเคลื่อนไหวนี่ช่วยในการหายใจเมื่อก่อนก็ไม่ชอบอยู่นิ่งๆมันสบายแต่ไม่ใช่ต้องมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยอ๋อการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยมันช่วยเราหายใจดีขึ้นนั่นเลยขยับไม่ค่อยเวอเวลาทาอาหารนี่เวลาท้องอืดเคลื่อนไหว น, นี่มันช่วยย่อยอาหาร เราก็ไม่ขึ้นไหวฟรีๆเราเร่มสติลงาไปด้วยนะได้ทั้งกายด้ทั้งใจเอาอุปสรรคเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะตัวเองเลยมีหลายอย่างทำไปมันก็คิดมันคิดมากเมื่อเวลามันไม่คิดมันก็ง่วงอ๋อสองสภาวะเนี่มันตเตนมากเลยเอย่าท้อแท้นะมันคิดมากดีแล้วจะได้ไม่ง่วงมันง่วงก็ดีจะได้ไม่ต้องคิดเออมันดีทั้งนั้นแหละจริทําในเวลามันคิดมากเนี่ยทำยังไง งุดหดล้เดี๋ยวต้องแอบไปเดินที่นู้นแอบไปหาที่นี่ที่ชวนกันคุยกลัวความคิดมันจะหมดผมไปไหนไม่ได้มันคิดมากจนอยู่ความคิดอย่างนั้นอะอาศัยความอดทนทําไมไปแล้วมันจะได้พ้นพทุกข์จริงไม่ตอแท้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนไปเพราะมันไปไม่ได้ถ้าไปได้เนี่ยผมไปเปิดทีวีดูสนุ ก, กว่ามันไปไม่ได้จึงต้องมาอยู่กับความคิดด้วยสติอย่างนี้แหะ ขอบคุณความพิการมาตรงนี้ที่มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้จะได้มาจะลงทำไงดีเลยนอนไม่หลับนะเวลาคิดมากคือนอนไม่หลับแทนที่เราจะนอนไม่หลับแล้วก็ฟุ้งซ่านจนสว่างเอเออเาการนอนไม่หลับมาเป็นประโยชน์เราซะมาปฏิบัติธรรมคนที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมก็นอนหลับสบายเขาประมาทเรามันไม่ประมาทนะเอาการฟุ้งซ่านมาเช้เป็นเปยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะจากการใช้ชีวิตอะเงี้ย นอนพลิกมือไปไลค่คิดคิดไปรู้จิตัวได้ความรู้สุกตัวได้ประสบการณ์ความคิดจังหายหรือไม่หายไม่สําคัญหรอกส่วนที่เราได้ทําในสิ่งที่เราน่าจะทำเมื่อเวลาคิดมากปุ่งต่างจะไปไหนอย่างนนไปนะจะเงินไปยังไปไม่ได้เราต้องอยู่เนี่ยได้กําลังใจเมื่อไม่คิดมันก็ง่วงเวลาเดินจม ก, กลม ม, ลก ม, มีง่วงไหมเวายกมือนีง่วงไหมมีบางง่วเราค้างนี่ก็มีนะง่วงนะถือว่าปากสุกโตเนี่ยเวลามีขยบมือค้างนี่ เดี๋ยวฝาบาทเพล่งนะเดี๋ยวตกอกตกใจแล้วคุณเจ้าโยนฝาบาทใส่ตัวเราเนี่ยโอ้สีอะจื่ดเลยที่พระปาสุกโตนี่นักบุญบัตรกลัวมากเลยกลัวฝาบาทเวลาแค่นั่งยกมือข้างหลับพิงเสาเนี่ยเดี๋ยวฝาบาดรอยมานตื่นเลยฝาบาทปลุกสติตื่นนันดีเดินจนกรมอย่างง่วงนั่งยกมืออย่างง่วงแล้วผมนอนปฏิบัติเนี่ยมันจะรู้วอะไรเหงุงแต่ไม่ยอมเหงงให้เหงุงไปบางทีมันอ้วนหลับเข้าก็ทำตาโต ทำตาโตๆเอวเลาง่วงอย่าทำตาดีๆนะอย่าไปมองหมอนอย่าไปมองที่นอนอย่าไปคิดถึงความสบายอย่าไปมองไงทำตาโตๆมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรายอมเนี่ยมันก็เสร็จบางทีผมเหมกับต้องอมน้ำเนี่ยอมน้ำในปากอมให้มันเป็นปากถือติไปมันง่วงง่วงไปมันถ้ามันหลับมันจำลักน้ำมันมันต้องท่าถ่ายอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท่าทายไม่ใช่ยอมแพ้ไอ้ยอมแพ้นี่มันง่าย ไอ้ท้าทายเนี่ยมันทวนกระแสตัวกระแสไหมทนกระแ ส, ะนะะสะของความทุกข์อลัมบารแล้วมันได้ประสบการณ์ได้ทักษะได้มันเล่าสู่คนฟังมีหลายอย่างที่ผมทวนกระแสใจตัวเองมันก็มีการท้อแท้นะการปฏิบัติมีการท้อแท้ท้อแท้มันคือธรรมะนะความท้อแท้สลดอดหูเศร้าหมองมันเป็นวิวรธรรมนะทีน่ามิทะอดหูท้อแ ท, ท, อแท้มันก็ย่อมมีแต่ผมทำยังไงท้อแท้แต่ไม่ท้อถอยนะ ไม่ทอต่อยเดิมขึ้นเขาเดินขึ้ไปนะมันท้อแต่ไม่ถอยถ้าถอยมันตกเขาหยุดคิดใช้คนคิดช่วยนี่ถ้าเราท้อไปจนตลอดชีวิตนี่เราต้องเป็นทุกข์แน่นอนมันต้องต่อสู้ต้องไม่ท้อแท้ทอแท้ไม่ได้ถ้าท้อเนีมันดับทุกข์ไม่ได้ถ้าท้อต้องเป็นทุกข์เหมือนเดิมมันต้องรู้สึกต้องขยันที่จะกินเดิมพันธ์เพราะมีเดิมพันเดิมพันธชีวิตเดิมพันชีวิตคือความไม่มีทุกข์ไม่ท้อคิดถึง คำสอนคิดถึงครูบาอาจารย์โอ้ครูบาอาจารย์อุตสาหสอนทำไมกับเรานะเราจะมาทอแท้ไม่ได้เราไม่เคารพครูบาอาจารย์คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงสาวกที่ท่านปฏิบัติมาท่านลําบากนั้นเลยท่านต้องขยันอย่งนั้นคิดถึงคนใกล้ตัวเราคุณพ่อคุณแม่อุตสาหทำอาหารให้เรากินอยู่เนี้แล้วมีคนทําอาหารไะมโอนึกถึงแม่ครัวไหมแม่ครัวเขาจะได้บุญเพราะเราตั้งใจปฏิบัติถ้าเราเยาะเย้ยนี้แม่ครัวไม่ได้บุญ่ะเราต้องขยันแม่ครัวจะได้ไดบุญนะ่ไ กุญเจ้าจะได้มีปิติครูบาอาจารย์นี่จะสดชื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าของมาถวายนะเราปฏิบัติบูชาเนี่ยครูบาอาจารย์สดชื่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยญาติทําบางคนเนี่ยไปนั่งครูครูบาอาจรย์บอกคุณเนี่ยปฏิบัติดีนั่งเป็นปิติเป็นความภูมิใจของครูบาอาจารย์เป็นรางวัลที่รู้สึกปฏิบัติดีไม่ใช่รู้สึกเอาใจรู้สึกเอาใจเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์ก็ไม่สนใจรู้สึกปฏิบัติดีเนี่ยครูบาอาจารย์นี่สดชื่นมามองเห็นประโยชน์การปฏิบัติ เห็นทุกทุนการไม่ปฏิบัติเราไม่ได้เกิดมาทําต่บุญอย่างเดียวเราทําบาปด้วยสวรรค์ก็ขึ้นนรกแล้วก็ตกนั้นถ้าก่อนจะตายเนี่ยถ้าจิตเราตกปั๊บหนึ่งมันลงอบายเลยเราต้องเก็บเกี่ยวเอาความรู้ตัวเข้าไว้เก็บเกี่ยวบุสุสลเข้าไว้มันจะได้พ้นอบัยภูมินะมองเห็นประโยชน์การปฏิบัติเห็นทุกขการไม่ปฏิบัติมันก็จะเกิดกําลังใจผมอาศัยแบบเนี้ยช่วยตัวเองผมไม่มีครูบาอาจารย์มากระหน่ำใกล้แบบนี้หรอก มันพ่ออยู่เชยภูมิอยู่นครสวรรค์ปฏิบัติไปมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาตัวเองมันต้องลองแก้ดูก่อนอยากอลไรก็ใช้ครูบาอาจารย์อะไรก็ถามครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียมบอกว่าคนที่ชอบถามคนที่สงสัยเนะี่ยคือคนอยากไม่รู้คนสงสัยก็คนอยากไม่รู้มันต้องแก้ปัญหาตัวเองบ้างการปฏิบัติในอุปสรรคมากมายแต่รู้ว่าอุปสรรคนั่นนะคือธรรมะทั้งนั้นเลยมันเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะทั้งนั้นเลย ชีวิตผมเปลี่ยนมาได้ก็เพราะว่าอุปสรรคไอ้ความไม่เรื่องใจความไม่ถูกใจไอ้ความที่มันขัดใจเราเนี่หละมันทําให้เราเกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้ด้วยไอ้ความไม่ถูกใจนี่ละมันเป็นหินรับปัญญากับเราเนื้อเราเกิดปัญญาเพราะสิ่งที่มันขัดใจเรานี่หละไอ้ที่ตามใจเราน่ะมันทำให้เราหลงไปกับดีเล่นนะไอ้ที่มันขัดใจเรานี่ล่ะจริงๆมันไม่ได้ขัดใจเรามันขัดดีเด่เราต้องขอบคุณมัน ชีวเปลี่ยนไม่ได้เพราะสิ่งที่มันไม่ถูกใจผมบอก ว, ว่าความไม่สะดวกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของผมไม่ใช่ความไม่สะดวกทั้งเราเป็นทุกข์ความไม่สะดวกเนี่ยมันเป็นธรรมดาเพราะในโลกนี้ น, นี่ไม่มีอะไรได้อย่างใจ๋เราหรอกถูกไหมนั่นแหละคือสัจธรรมชื่อตมันก็เปลี่ยนได้เพราะอย่างนี้แหละเพราะการศึกษาทําวามเข้าใจแล้วก็ลองปฏิบัติ ด, ดูผลมันก็ออกมาเพราะเวลาเจิสติเนี่ยทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ได้มีสติอย่างเดียวหรอก มันได้สมาธิเป็นของแถมได้ไหมจิตมันก็สงบได้เหมือนกันไม่ต้องไปหาความสงบเอาความรู้ตัวให้มันต่อเนื่องให้จิตมันตื่อย่างนี้แหละมันมีสมาธิเป็นของแถมสัมมาสมาธิคือจิตที่จะไม่เข้าไปแช่กับอารมณ์ให้รู้อยู่ดูอยู่เห็น อ, อยู่เมื่อเกิดสมาธิแล้วกิเลสนิวรณ์เนี่ยความอยากความไม่อยากความโกรธความง่วงความคิดความตกใจมันก็ไม่เกิดขึ้น จิตมันก็ไม่ปรุงแต่งเมื่อมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยจิตมันไม่ปรุงแต่งมันปรุงไม่ได้มันต้มีแค่หนึ่งเดียวจิตเราแล้วไปทีละครั้งเมื่อมีสติไอ้ความรูนสสติก็จะหายไปเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งมันก็มีความเบิกบานขึ้นมาช่วยไม่ได้นะมันต้องไปหาความจุกมัต้องหาความเบิกบานแค่รู้สึกตัวจิตไม่ปรุงแต่งมันก็มีความเบิกบานมันเบิกข้างในแล้วบานอยู่ข้างนอกมันเบิกบานนะเมื่อเกิดความมั่นใจ ค่อยมั่นใจเลยเรื่องการดับทุกข์เนี่ยมันมีจริงพู้รองไม่ได้ตัดไป ล, ลอยๆความดับทุกข์มีจริงแล้ววิธีการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ยก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยการยกมือการเจริญสติเนี่ยมั่นจะได้ว่านําพาจิตใจเราเนี่ยไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นที่รัดสั้นพ้นทุกข์ได้ไม่ต้งองรอไม่ช้าน่าแค่รู้สึกตัวครั้งเดียวจิตมันก็ออกแล้วรู้สึกครังเดียวจิตแล้วก็ออกแล้วแล้วเราเองก็ทําได้ ทุกคนทำได้ทำได้เพราะว่าความบริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนมันมีอยู่แล้วหลวงพ่อเทียนบอกว่าความสะอาดความสว่างความสงบมีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่ทําไมสิ่งนี้จึงไม่ปรากฏขึ้นเพราะจิเราไปปรุงแต่งมากไ ป, ปรุงชอบสิ่งโน้นไม่ชอบสิ่งนี้เราลอปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติสิเมื่อเกิดขึ้นเมื่อปล่อยมันผ่านไปก็คือเราปล่อยมันผ่านไปรู้จักยอมรับแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปบ้าง จิตมันก็บริสุทธิ์มันเดิมได้ไอ้ที่เรายกมือสั้นจังหวะโดยจงกรมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันมากมายเพื่อไม่ต้องไปให้ความสําคัญอะไรกับสิ่งนั้นสร้างความเคยชินแบบใหม่ที่เรารู้สึกและต่อไปความเคยชินแบบเนี้ยมันจะเป็นไปเองความสุขมันจะตู่นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างเลยมันเกิดขึ้นเองเพราะมันเป็นเองของมันเป็นเองช่วยมันหน่อยช่วยอาศัยความขยันความอดทน ความไม่ทอแท้ความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตนเองทำตรงนี้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปทําแบบของมันเป็นเองทั้งหมดเลยการทําก็ดีอย่างช่วยมีประสบการณ์ให้มีทักษะให้มีการเรียนรู้เมื่อรู้แล้วเราก็ทุกอย่างก็เป็นปกติไม่ต้องไปทํามากเลยเจสเกียร์คูบาจาไม่ต้องทำมากหรอกคือท่านทํามาแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสดีมันเปลี่ยนชีวิตเราใหม่ได้ โอกาสดีเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันประสูติวันตรัสรู้วันปฏิพันธ์วันเดียวกันจะว่เป็นวันเดียวกันก็ไม่ถูกนะมันเป็นเวลาขนาดจิตเดียวกันเมื่อมีการตรัสรู้เกิดขึ้นปับ๊บภาวะผู้รู้ก็เกิดขึ้นม า, นากิเลสก็นิผ่านไปขณะจิตเดียวทว่า ท, ที่มีความรู้สึกเนี่ยเป็นการตรัสรู้แต่ว่ารู้แล้วเมื่อมีการตรัสรู้ ม, มีความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยภาวะของพุะทธะ คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บาบางก็เกิดขึ้นทันทีในขณะจิตที่ปัศรุแล้วกิเลสก็อยู่ไม่ได้ ก, กิเลสก็นิพพานดับเย็นดับไม่เหลือไปเลยขณะจิตเดียวเนี่ยการบรรลุธรรมในขณะจิตเดียวทั้นั้นไม่ใช่วันเดียวเดียวจิตเดียวแค่รู้สึกเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติเราต้องมาทําตัวเนี้ยให้มารู้สึกบ่อยๆต่อไปมารู้สึกเองเห็นไหมบางท่านในสติเกิดเองมีไหมบางทีมันเกิดเองได้ในอาศัยวันเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติบูบชาอย่าไปคิดว่าเรานี่คงไม่มีบุญวาสนาบา ร, รมีอินทรีย์ไม่แก่กล้าไปคิดอย่างนั้นมันท้อแท้หมดกำลังใจไม่ได้ประโยชน์อะไรให้กำลังใจตัวเองนยพระองค์ตรัดไว้วิเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียร น, นะเพียรไปก่อนแล้วต่อไปไม่ต้องเพียรลวมันเป็นเอง